ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ t o โทนท a l ์กดำเนินรายการโดยพลอยสีสุโรและตปากรพุทธเกตควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สวัสดีค่ะดิฉันพลอยสีสุโร่ะสวัสดีครับตระกับพุทเกตค่ะค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการถูถนทอค่ะครั บ, รบวันนี้คุณตากลับมาแล้วหลังจากที่สำหรับที่แล้วไปตัดอ้อยมาเ <laughs> <laughs> สี่ยงชีวิตยอยู่เหมือนกั น, นเป็นไงไม่รู้เทปนั <laughs> ้นเราจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าคือหวังว่าแต่จริงๆมันก็เป็นการพูดคุยกันเขาเรียกว่าเจอตนาน่ดีนะใช่เจอตนาน่ดีกับโลกแล้วกันใช่เป็นการพูดคุยกันบนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นอยู่ ที่ที่ที่มันเป็นไปอยู่นะปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาอะไรบางคนอาจจะแบบว่าไม่รู้สึกเพราะว่ามันยังอยู่ได้ถ้ามันอยู่ไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็อ้อยไม่ทันแล้วตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังคิดว่าเราจะอยู่ยังไงกันเลยนะกับประเทศชาติบ้านเมืองที่ผ่านมาเอาแค่สภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมใช่เพราะว่าต้องงพดถึเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าวันนี้ ฝนหรือเรื่องราวสภาพแวดล้อมมันจะหายไปแบบหายไปเลยอ่ะมันมันก็ยังวนไปวนมาอยู่มันก็ยังมีอยู่นะตราบใดที่เรายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ม, มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะจริงๆรายการเราน่าจะเปลี่ยนชื่อไปเลยนะไป <c oughs> <laughs> ไปพูดเนระื่องสิ่งแวดล้อมอนุษยาจจะได้งชื่อไงอาจจะตั้งชื่อลงไปอ่าเพราะวันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็เลยมาพักพักผ่อนกันนิดนึงชื่อะไรกันว่าจะพืชไหม มันจะเป็นวัชพืชไม่รู้ว่านึกไม่ออกดูแบบมันจะพืชโลกอะไรเงี้ยวจะพืชมันดูเป็นอยากให้ถอนออกไปไม่ไม่มีคุณค่าว่ะสมัยเรียนก็คือแบบใครเป็นวัชพืชก็คือแบบมาเกาะเขาเรียกอะไรนะมาเกาะฝากไม่มากาฝากปากินอาหารของต้นไม้อะไรอย่างงี้ป่ะมันไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไรอ่านะก็เนี่ยนะเขาจะไม่ถอนสักทีมันวัชพืชไปก่อนนะอ่ะสัปดาห์นี้นะก็มาชนพูดคุยนะเรื่องอ่าเป็น เป็นเอ่อเป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับโรคสุขภาพเป็นเรื่องอ่าใช่เป็นเรื่องของสุขภาพสลับไฟสลับมาสิ่งแวดล้อสุขภาพอะอยู่อย่างเงี้ยเนาะแล้วก็สิ่งแวดล้อมสุขภาพเรื่องขยะตามวัยคือไม่รู้จะไปไหนแล้วไงมันจะไปแบบดูหนังก็โอ้ยขึ้นขดูหนังก็ไม่อีกรายการหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่เราปราชนพูดคุยนะก็เพอเอิญวันก่อนนู้นนะไปฟังรายการวิทยุนะซึ่งเป็นของ ชาวต่างชาติเนาะเขาก็พูดคุยกันเรื่องของ O C D O C D ก็เลยเอ๊ะคำนี้มันเหมือนเคยเราเคยรู้จักนะเคยได้ยินแล้วก็เลยลองไปค้นคว้าหาดูอ๋อมันเป็นมันเป็นเรื่องราวของโรคที่ชื่อว่าย้ำคิดย้ำทำในภาษาอังกฤษก็คือ O C D นะซึ่งคำเต็มก็คือคำว่า Obsessive Compulsive Disorder กูนี่เข้าตัวเลยอะโรคเนี้ยเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่ง <laughs> <laughs> ไม่น่าประกาศเลยกูนะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะส่งผลต่อ การทําให้มีพฤติกรรมซ้ําๆทั้งในเรื่องของพฤติกรรมทางด้านความคิดคนะแล้วก็ใน พ, พฤติกรรมทางด้านการกระทําเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วย้ําคิดย้ำำําทํําาผย้ำรำเพราะฉะนั้นก็ย้ําทั้งทั้งการคิดที่อยู่ในสมองแล้วก็ทั้งพฤติกรรมออกมาด้วยอันนี้เขาบอกว่ามีมีอยู่หข้อนะ หเป็นเหมือนทรายหรือว่าสัญญาณบ่งบอกว่าคุณจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าออเอาลอ ง, งดูก่อนว่าคุณตาเป็นไม้นะข้อแรกคือคิดเรื่องไร้าสาระซ้ําๆวันนี้ไม่ค่อยเป็นอันนี้คําว่าไร้สาระนี่ไม่รู้เราจะไปให้คําจํากัดความว่ายังไงน ะ, ะเขาบอกว่า เป็นปกติที่คนเรามักจะกังวลกับปัญหาที่กำลังเผชิญสมมติว่าเรามีเรื่องปัญหาเกิดขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วที่เราจะรู้สึกกังวลแต่คนที่เป็นโรคเนี้นะเขาจะมีความกังวลหรือว่าคิดซ้ำๆเกี่ยวกับบางเรื่องที่มันไร้สาระหรือว่าเรื่องเขาบอกว่าเรื่องที่อาจจะแบบยังไม่เกิดขึ้นคิดเผื่อไปก่อนอะไรแบบนั้นกังวลเกินกว่าเหตุหัวต้องมีเมียน้อยแน่ๆมันต้องมีแน่ๆมันต้องมีแน่ๆแต่มันนอนอยู่ตรงเนี้ยนอนอยู่ข้างๆเนี่ย มันต้องมีแน่ๆอเงี้ยหรอปกมันขึ้นมาตบเลยนะเรื่องเรื่องเข <c oughs> บอกว่าเนี่ยกลายเป็นแบบคิดเรื่องแบบเนี้ยนะจนทําให้รู้สึกว่าเครียดหรือว่าไม่สบายใจครับ <c oughs> นะอันนั้นคือคือสัญญาณแรกเนาะอีสัญญาณหนึง่งเขาบอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับความสะอาดอคือจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุ้นี<ม>่ผม<อ>ไม่เป็นแน่นอนอันนี้อันนี้ไม่ใช่แลใช่ไหมแต่ก็ปกยันที่นอนเลย เขาบอกว่าคนที่ป่วยมันโรคนี้นะจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดมากจนผิดปกตินะอย่างเช่นเเคยเป็นไม่กล้าสัมผัสสิ่งต่างๆในที่สาธารณะเคยมีฟีลแบบนี้เหมือนกันอันนี้นคือมันต้องแบบสกปรกมากจริงๆหรือเปล่าถึงไม่ไม่กล้าไม่กล้าไปไม่กล้าเดินชนคนอื่นอุ๊ยเคยเป็นไหมไม่เคยมันมีช่วงหนึ่งที่เป็นหวัดสองพันสองเก้าอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันกลัวหลอนขึนนาด น, นั้นเลยจริงกลัวจนแบบว่าไม่กล้าจะไปโดนตัวใครเลย เพราะว่าเรานั้นเป็นเชื้ออยู่ใช่กลัวไปแพร่พันธุ์กันเขาบ้าเลยอลอนนั้นมีแฟนด้วยแล้วแบบคือแฟนกลับมาเข้าห้องเนี่ยผมสั่งอาบนา้ำก่อนเลย<อ>ถ้าถูกไม่ดีจะไปถูให้อตอนนี้นเริ่มแล้วเจงเรียบร้อยตอนนี้เกมละตัวกะปกอยังที่นอนอย่างที่บอกนะพัสดุนี้นก็จะมีอีก อี ก, กมีเป็นสัญสญาณอีกแบบหนึ่งนะก็ะคือว่าไม่กล้าสัมผัสสิ่งต่างๆในที่สาธารณะนะหรือว่าคือคิดว่ามือของตัวเองสกรปรก ไม่กค้าไปโดนอ๋อทีนี้อันนี้มันเป็นความคิดถูกไหมก็คือคิดว่าสกปรกคิดว่ามือเราสกปรกเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลไปที่พฤติกรรมการย้าทําก็คือจะล้างมือหยุแบบล้างจนแบบล้างจนบางคนหลอกใช่แบบมือเปื่อยมือถลอกอะไรแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้มองว่าตัวเองสกปรกผมมองว่าดือสกปรกจริงๆมันอาจจะเป็นโรคจิตกับกันเป็นไปได้แต่ตอนนี้ไม่มีนะไม่ได้มีเขาสก่อแบบนั้นนะเจอใครก็กรโดดใส่อย่างเดียวเลยพูดพลาดเลย กับอีกอี ก, อกอสัญญาณหนึ่งก็คือเป็นบุคคลที่ชอบตรวจเช็คสิ่งของต่างๆซ้ําแล้วซ้าเล่าะนะบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรค O C D นะก็คือตรวจเช็คสิ่งต่างๆอย่างเช่นเช็คว่าล็อกประตูบ้านหรือยังแล้วก็เดินวนอยู่อย่างไรเอ อ, อนี่นี่อันนี้เป็นไม่มเป็นเลยเหมือ น, น ล, ล็อกรถใช่ไหมเรื่องของการล็อกประตูห้องอที่ทํางานนี่ก็เป็น <laughs> สมรอบได้ปิดไฟหรือยังเอ๊ะ ถอนปักหรือยังเอ๊ะเพราะว่าลืม บ, บ่อ ย, อ ย, อยเพราะว่าคุณตาลืมบ่อยบางทีก็ลืมเอากุญแจมาจากบ้านนั่นนู่นนี่นะอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของความทรงจํามากกว่าก <c oughs> ารจำคิดจำทำเลื่อนเลื่ลอนใช่นะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะอย่างเช่นเช็คว่าลืมอา่าล็อกกุญแจบ้านหรือ ย, อยังนะหรือว่าลืมปิดเตาแก๊สหรือยางอะไรแบบนี้ก็จะวนวนเวียนอยู่กับอีกอันนึงก็คือยึดติดกับตัวเลขและการเรียงลําดับครับ นะเขาบอกว่าค น, น, นที่ป่วยเ ป, เป็นโรคนี้นะจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็รําคาญใจนะเมื่อมองเห็นหรือว่าพบเห็นสถานาการณ์ที่เกี่ยวกับตัวเลขที่มันเรียงไม่เป็นไปตามแบบแผนอันนี้ไม่เป็นอยู่เช่นตัวเลขไม่เรียงตามจํานวนตัวเลขขาดหายหรือว่าจํานวนอ่าสิ่งของต่างๆอยู่ในปริมาณที่มันไม่ใช่ อ, อะไรแบบนี้ก็จะมีความรู้สึกแบบกระสับกระส่สยายจะเข้าไปเรียงสลักอะไรแบบนั้นนะมันต้องเปลี่ยน <c oughs> อะไรแบบนี้นะกับอีกสัญญาหนึ่งก็คือยึดติดกับแบบแผนเป็นคนที่แบบ ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่าเป็น p e r f e c t i o n ไม่เป็นพวกสมบูรณ์แบบอันนี้ดีฉันเป็นไม่เฉียดเลยอันนี้ดีฉันเป็นแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็น OCD เหรือถึงอาจจะเป็นก็ได้มักจะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคนที่เป็น perfectionist คือจะใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าคนที่เป็น OCD มันอาจจะเป็นขั้นกว่าคือสูงกว่าการเป็น perfectionist คือต้องทําทุกอย่างให้เป็นไปตามแบบแผนที่เราวางไว้แล้วถ้ามันไม่เป็นเนี่ยก็จะต้องแบบ ก็จะเกิดอาการหนังสือที่เรียงกันไม่เรียบร้อยอย่างนี้ยาเข้าไปไปเรียงเองซะละเกินการจัดเรียงสิ่งของต้องเรียงตามสีตามขนาดอะไรเบี้ยวก็ต้องค่อยจับค่อยขยับอะไรแบบนี้นะอันนั้นก็คืออีกอันหนึ่งอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันคืออีกสัญญาณสัญญาณหนึ่งก็คืองุดหงิดนะกับความผิดเล็กๆน้อยๆรอบตัวคือมารู้จักปล่อยวางอันนี้มัไม่เป็นเลยนะแบบหงุดงิดกับสิ่งผิดพลาดของสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเช่นแบบ เห็นเส้นถนนที่ไม่ตรงกันเจาะแบบป้าอะไรอย่างนี้ป้ายโฆษณาที่พิมพ์ผิดอะไรแต่ดิฉันเห็นคนเขียนตัวอักษรผิดดิฉันก็เป็นนะแต่อาจจะไม่ได้แบบถึงขั้นต้องเข้าไปด่าอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาการนะคุณตามีบ้างไหมหรือว่ายังมีย้ำคิดย้ำทำอะไรนั้นอะ ที่ลืมของอ่ะอันนั้นชัดเจนหรือที่ว่าเป็นโรคความจําเสื่อมใช่ไม่เป็นโอซนะเพราะฉะนั้นสมอ ง, องล้วนๆเลยก็สรุปอย่างนี้ก็แล้ว ก, กันนะว่าก็คือมีอยู่2 ส, ส่วนก็คือส่วนของการย้ําคิดเนะี่ยเป็เรื่อความคิดความรู้สึกนะเป็นแรงขับดันจากภ <c oughs> ายในหรือว่าเป็นจินตนาการที่เขาเรียกว่ามันเป็นจินตนาการที่จะผุดขึ้นมาซ้ํ <c oughs> าๆนะโดยที่ตัวผู้ป่วยเองก็ทราบว่าเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลอย่างเช่นคิดซ้ําๆว่ามือตัวเองสกปรกคิดว่าลืมปิดแก๊สลืมปิดประตูอะไรอย่างนี้นะกับอีก อย่างนึงก็คือเรื่องของการอาการย้ำทำก็คือเป็นพฤติกรรมซ้ำๆที่ผู้ป่วยทำขึ้นนะโดยเป็นการตอบสนองต่อไอ้การย้ำคิดมาสักครู่นี้แหละหนะหรือว่ า, าทำตามกฎเกณฑ์บางอย่างที่ตัวเองเนกำหนดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสองส่วนชะล้างมือซ้ำๆนะตรวจสอบรูปบิดอยู่อยู่อยู่ซ้ำๆจริงๆคนที่มีลักษณะอาการชอบพูดขอโทษซ้ำๆน่ะก็ก็ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมการย้ำทำเหมือนกันนะคือ อะไรก็ไม่รู้อะขอโทษไว้ก่อนไว้ก่อนอะไรแบบนี้โดยที่แบบบางเรื่องอาจจะแบบมันไม่ได้ผิดหรือไม่ได้เจอกันกัอนขอโทษครับทีนี้เขาบอกว่าสาเหตุมันอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของปัจจัยทางด้านชีวภาพก็คือเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับสมองมันน่าจะคล้ายๆกับอาการเขาเรียกอะไรนะความผิดพลาดที่เกิดจากสมองคล้ายๆกับโรคซึมเศร้าจริงๆแล้วมันก็คือการทํางานสวมนสารในสมองใช่ไใช่นะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของด้านของระบบประสาท นะสื่อนำอะระบบประสานะทที่เขาบอกว่าเป็นผู้ป่ว ย, ยจะมีความผิดปกติในระดับของซิโรโทนินนะโดยพบว่าไอตัว อันนี้เป็นเรื่องของของเขาเรียกว่าอะไรระบบประสาทอาการแล้วอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพันธุ ก, กรรมแล้วจริงๆนอกเหนือจากปัจจัยทางด้านชีวภาพนะก็ยังเป็นปัจจัยทางด้านของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในอดีต อ, อะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในเรื่องของโรคย้ำคิดย้ำทำกันต่อค่ะเดี๋ยวไปเช็คตอบแก๊สแป๊บนึง กลับเขาสู่ช่วงที่สของรายการทูโทนทอคค่ะไปดูเตาแกแล้วหลังจากที่คุณตะไปดูเตาแก้วตอนนี้ใช้ก็ไปดูว่าล็อกรถหรือยังทั้งคู่เลยเป็นไงวันนี้เราชวนมาสสสมติาดเราชวนมาพูดคุยเรื่องของอักโรคนะที่เป็นโรค <O> เกีเ่ยวข้องกับอะไรนะระบบภาษาระบบอกเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งนะก็คือโรค OCD ขอชื่อภาษาอังกฤษเต็เมๆได้ไหม Obsessive Compulsive Disorder นีะ OCD ย่อมโรคย่อคิดย้อทำนะซึ่งมันก็แบ่งออกเป็น2 ส, ส่วนเหมือนที่ดิฉันบอกก็คือเรื่องของการการย้อคิดนะ เป็นการคิดซ้ำๆนะซึ่งมันก็จะไปส่งผลกับการทําให้มีพฤติกรรมซ้ำๆก็คือการย้ําทำนั่นเองนะก็สาเหตุที่เกิดก็เหมือนที่บอกก็คือว่ามีปัจจัยทางด้านชีวภาพทางเรื่องทางด้านของร่างกายรเรื่องของการทํางานของสมองของระบบประสาทแล้วก็พันธุกรรมก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรนะปัจจัยทางพฤติกรรมการเรียนรู้รนะเขาบอกว่าอย่างเช่นนะมี <c oughs> สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสถานการณ์ที่มีเงื่อนไขแล้วก็มีความกลัว <S <S ซึ่งก็แยกปัจจัยออกมาเป็นสองหัวข้อก็คือว่าหัวข้อแรกอาจจะเป็นพฤติกรรมที่เรื่องของการกลัวโชคร้ายนะเช่ชนบอกว่ากลัวว่าปิดบ้านไม่เรียบร้อยนะมันจะเกิดอันตรายซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันก็มันก็ดีนะมันก็คือเป็นการเขาเรียกอะไรไม่ประมาทใช่แต่ถ้ามันมากเกินไปนะมันก็อาจจะไม่ใช่คือผมผมอันนี้อันนี้เอาจากประสบการณ์ส่วนตัวว่า มีความรู้สึกเหมือนกันประมาณว่าถ้าออกมาแล้วเหมือนกับไฟที่มันเสียบคาไว้กลัวว่ามันจะไปไหม้ถ้าไปไหม้แล้วไปลามบ้านคนอื่นอะไรเงี้ยคือไม่ได้ห่วงบ้านตัวเงเท่าไหร่กลัวบ้านคนอื่นคือความรความรับผิดชอบสูงแต่สมองอะ่ะจาได้น้อยนะวนอยู่งั้นแหล ะ, ะสามสี่รอบเอ้น้ำละ่ะน้าเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมโลก ะระวังนิดออกมาจากบ้านเอาไฟต่ออะไรเงี้ยหลายเรื่องเลยดิฉันว่ามันจะไปมันจะไปอาจจะส่งผลส่งผลลําบากหรือว่าส่งผลเห็นชัดตอนที่เป็นเด็กๆด็กดิ <ừ> ฉันชอบถูกผู้ใหญ่ขู่อ อ, อะไรประมาประเภทนี้เราก็อาจจะแบบติดจนกระทั่งเราก็ไม่หลอนหลอนมอไม่แน่นะ<ม>อาจจะมีอาจจะมีบุคคลประเภทนี้ก็ได้ที่แบบถูกขู่ถูกถูกรหลอนมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยอย่าเปิดไฟอ่าเล่นเตานั่นโน่นนี่จนกระทั่งกาย จากความที่มันเขาเรียกอะไรต้องระแวดระวังกลายเป็นความกลัวขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นโรคนี้ขึ้นขึ้นมาแทนไอ้อันนึงก็คือเรื่องของการกลัวความสกรปรกนะอย่างเช่นแบบกลัวล้างมือไม่สะอาดก็คือกลัวความสกรปรกอยู่ในขีดขั้นที่มันแบบมากเกินไปเหมือนกันไม่ใช น, นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของปัจจัยทางด้านของพฤติกรรมทีนี้นะเขาบอกว่ า, าโรคนี้นะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเกิดกับใครได้บ้างเขาบอกว่าตาม ข้อมูสดิตินะเขาบอกว่าอัตราการเกิดโรคย้ำคิดย้ำทำในประชากรเนี่ยทั่วไปมีอยู่ประมาณร้อยละสองถึงสามนะซึ่งแปลว่าร้อยรอย้รอยคนนะก็จะเจอสองคนสองคนก็ดีแล้วจะให้มีเยอะเหรอช่วยกันย้ำดิ <laughs> นะครับด <G ül Regular> ิสแลมไงหมอชี้อยากจะย้ำอีกสักครั้งและตามสถิติเพราะว่าจะเริ่มมีอาการโดยเฉลี่ยที่อายุประมาณ20ปีนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงเท่ากันในทั้งเพศชายและก็เพศหญิงครับนะจริงๆเขาบอกว่าโรคเนี้ยนะคะยังสามารถพบร่วมกับโรคจิตเวทอื่นๆได้อย่างเช่นโรคซึมเศร้าอเขาบอกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็มีความเสี่ยงเนี่ยนะคะที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำสูงถึงร้อยละ 60-90 เลยทีเดียวนะรวมไปถึงโรคกลัวสังคมโรควิตกกังวลทั่วไปนะโรคกลั ว, วสังคมนี่ใช้สีมาได้กลัวข้ามไป ข, มข้ามไปอันนี้ปล่อยข้ามไปอึ้งไปนิดนึงนะ <c oughs> พูดร่วมนในรายการของดิฉันเป็นอะไรอนะนึกได้ก็พูดไปก่อนหรือการดื่มสุราก็อาจจะทำให้เสียงต่อโรคของการยำคิดยำทำได้เช่นกันทีนี้นะลองดูนะถ้าเกิดคุณผูดฟังใช่เพราะว่าเวลาดื่มสุรามันชนอย่างเดียวนะ ชนนั่นแหละชนไม่เลิกเวลาชนไม่หยุดเฮ้ยรักเพื่อนมากเลยวนอนัรักเพื่อนมากเลยหรืออกหักก็ทําไมก็เนี่ยประมาณนี้อกหักก็ไปชนเนียยังทำยังทำอยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นนะโรคนี้นะเขาบอกว่าอวิธีการรักษานะก็มีอยู่สองสองส่วนก็คือรักษาด้วยการใช้พฤติกรรมบําบัดออืกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ยาแล้วล่ะะเขาบอกว่าพฤติกรรมบําบัดนะเขาบอกว่าอ วิธีการรักษาแบบนี้ก็อาศัยหลักการที่ว่าเมื่อเราพบกับสิ่งที่เรากลัวและเกิดความกลัวขึ้นแล้วเราจะรีบหนีความกลัวก็จะหายไปพักหนึ่งแต่ความกลัวนี่มันก็ยังคงอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการเขาเรียกอะไรเข้าหาแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่เรากลัวเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้เวลาเนี่ยช่วยเยียวยาให้มันผ่านไปแล้วความกลัวที่เกิดขึ้นจะค่อยๆลดลงเองนะเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความชินชานะแล้วก็ อ, อ, อย่างเช่นนะให้ผู้ป่วยโรคยรำคิดย้ำทำที่กลัวปิดน้ำไม่สนิทเนี่ยนะให้จงใจเปิดน้ำให้หยดแหมะแมะทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ออกไปทำ ง, งานเลยจะได้ลดความกังวลขุ ย, ยมันใจร้ายมากเลยเนอะไม่ก็ปล่อยให้หยดแหมะแมไปก่อนอย่างผมเนี่ยกลัวไฟไม่บ้านเนี่ยผมก่อเตาทิ้วอะไรเงี้ยเหรอเริ่มมันไหมเล็กๆก่อนไม่ใช่แบบนั้นกอเตียงไปไล่ไปถึงทีวีอย่างเงี้ย ใจร้ายว่ะก็บอกว่าอ่ะก็คือให้เปิดน้ําหยดแม่แบบไว้แล้วก็ออกไปทํางานนะผู้ป่วยก็จะเกิดความกังวลเหมือนกับกังวลอยู่ในใจแหละใหญ่จะกลับไปปิดน้ําอยู่ แ, แบบเป็นช่วงระยะเวลานึ่งก็คือเหมือนกับให้ฝืนให้ให้ทําไปอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งทำไปเรื่อยๆนะแล้วความกังวลเนี่ยจะค่อยๆลดลงลดลงจนกระทั่งลืมไปเองอนะงนนตอนนั้เขาไม่ปล่อยหยดแม่แล้วเขาปล่อยซาเลย จากจากจักไว้แล้วก็ไปทํางานเชยเนี่ยแหละแต่หลักการที่จะรักจารักษาด้วยพฤติกรรมบําบัดนะเขาบอกว่ามันจะมีหลักอยู่3ข้อหลักปฏิบัตินะก็คือต้องทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่ประผักติบแบบคุณตะเขาบอกโดยเริ่มจากสิ่งที่ผู้ป่วยกลัวไม่มากก่อนแล้วก็ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้นะคะ ว, ว่าวิธีรักษาแบบนี้เนี่ยมันได้ผลจริงๆแล้วก็ค่อยฝึกกับเรื่องที่ผู้ป่วยอาจจะมีความกลัวมากขึ้น ค, คือค่อยเพิ่มเลเวล เพิ่มดีกรีนะไปเรื่อยๆคแล้วก็อ่าหลักการข้อที่สองก็คือว่าต้องให้เวลากับมันต้องอมีช่วงระยะเวลาไม่ใช่แบบปุบปับแล้วมันจะหายเนาะก็ต้องให้เวลามากเพียงพอนะเขาบอกว่าอะไรนะควรให้ฝึกนะควรให้เวลาฝึกแต่ละครั้งในะประมาณหนึ่งชั่วโมงมนะแล้วก็เพื่อให้มีเวลานานพอที่จะเกิดความ <c oughs> เคยชินเกิดความชินชานะแล้วก็ควรที่จะต้องทําเอซ้ซําๆนะต่อเนื่องทุกวันนะหรือว่าอย่างน้อยวันเว้นวันนะจนกว่าจะหายนะ เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่านอกจากการฝึกนะโดยการเข้าหาแล้วก็เผชิญหน้ากับสิ่งที่ผู้ป่วยกลัวอยู่แล้วนะผู้ป่วยยังต้องงดเว้นการย้ำทําในขณะฝึกด้วยออืเขาบอกว่าอะไรนะเช่นเมื่อให้ผู้ป่วยฝึกโดยการปิดเตาแก๊สนะโดยไม่ต้องปิดถังแก๊สในช่วงกลางวันนะระหว่างฝึกผู้ป่วยนะจะต้องไม่ไม่มาคอยตรวจตาห้อง นะแล้วก็ต้องต้องไม่คอยถามคนใกล้ชิดนะอย่างเช่นแก๊สคงไม่ล้วนใช่ไหมเนะพื่อให้เขาตอบว่าไม่ล่วหรอกครับอย่างนี้ไม่ได้นะนะในกรณีนี้ถ้าผู้ป่วยเผ้อถามนะให้คนใกล้ชิดตอบไปบอกว่าหมอไม่ให้ตอบหมอไม่ตอบอะไรแบบนี้นะคือให้ผู้ป่วยฝึกนะอดทนให้ได้ต้องฝึกต้อ ง, ต, องต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องใช้เวลา อ, อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการใช้พฤติกรรมบำบัดมีแขกของอตื่นโรคย้งคินจําทําเข้ามาถ่ายรูปเราด้วย เขาบอกว่าโอเคการทำาพฤติกรีรกบัาบัตในช่วงแรกมันอาจจะแบบดูทรมานหรือรอาจจะดูไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะแล้วก็ดูแบบต้องต้องทนทำในสิ่งที่ตัวเองกลัวนะแต่เขาบอกว่าถ้าผู้ป่วยยอมร่วมมือเนี่ยการรักษาแบบนี้มันมักจะได้ผลดีกว่า นะ อ, อาการต่างๆจะหาได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็หาได้อย่างถาวรก็คืออาจจะคือไม่ได้กลับมาเป็นอีกนะที่สําคัญคือต้องลงมือทําจริงๆกับอีกวิธีการรักษาอีกอย่างหนึ่งที่ทีฉันพูดไปคือเรื่องของการใช้ยา บ, บางทีก็เป็นการปรับสารเคมีในสมองอะไรแบบนีบ <าง S 1> ้คือบางทีวิธีการอย่างเดียวหรือแบบอาจจะไม่เพียงพอนะก็คืออาจจะต้องมีการใช้ยานะซึ่งยาที่ใช้รักษาโรคย้ําคิดย้ําทำนะก็จะอยู่ในกลุ่มของยาแก้โรคซึมเศร้าเป็นชนิดที่ออกฤทธิ์นะกับสาร นำสมองที่เราเรียกว่าซีโรโทนินนั่นเองเขาบอกว่าแบ่งเป็นสามส่วนนะก็คือมีโรคกยาแก้ซึมเศร้าอืนะแล้วก็ยาเอแต่ว่ายาที่แก้ซึมเศร้าเนี่ยมันมักจะมีอาการข้างเคียงเขาบอกอาจจะมีเรื่องของการปวดศีราปวดหัวเนาะคลื่นไส้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับอยู่บ้างกับอีกส่วนนึงก็คือยาคลายกังวลครับนะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความวิตกกังวลอยู่สูงนะก็อาจจะต้องใช้ยากลุ่มที่เป็นอ กลุ่มคลายกังวลกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าอยาต้านโรคจิตนะเขาบอกว่าบางรายเนี่ยรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้าแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะอ่าแพทย์ก็อาจจะต้องเวินนิจัยให้ยาต้านโรคจิตควบคู่ไปกับยาแก้โรคซึมเศร้าไปด้วยฉะนั้นก็ลองดูนะถ้าคุณผู้ฟังอาจจะบังเอิญไปพบปะเจอหรือเป็นเองก็ได้นะือเป็นเองก็ได้ก็ลองดูลองฝึกดูก็ได้นะว่าว่าว่าเราจะมีวิธีการดูแล ยังไงนะหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำก็ได้นะก็ลองลองลองเช็คดูลองเช็คดูก่อนแต่ทั้งหมดทั้งมวลเชื่อว่าอย่างน้อยต้องมีสติดำเนินชีวิตผมพยายามจะเป็นอย่างนั้นนะผมพยายามจะเป็นอย่างนั้นว่าก่อนทุกครั้งที่จะแบบว่าจะปิดประตูจะล็อกกอนจะอะไรเงี้ยจะพยายามไม่พูดกับตัวเองเพราะบางทีเราจะเหมือนแบบเวลาที่เราอยู่ นคนเดียวเนี่ยมันจะมีอะไรที่เหมือนกับเราเราคุยกับตัวเองอยู่ว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บปุ๊บปรอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปง๊บปุ๊บปุ๊นีุขอ เสริมคุณพลอยว่าเชื่อว่ายังไ ง, ง, ไงก็ตามไอ้วิธีการรักษาเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือแพทย์นะครับคงจะไม่ใช่แบบว่าอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเริ่มจากการเปิดไฟเปิดเผาทิ้งเอาไว้เผาบ้านทิ้งไว้เนี่ยวันวันั ซอกสองซอกมันก็คงหมดทั้งหลังอ่ะยังไงก็ก็คงมีต้องปรึกษาแพทย์เลยนะครับให้เขาดูแลก็ขอให้ใช้ชีวิตกันอย่างมีสติก็แล้วกันสําหรับสัปดาห์นี้นะเราสองคนกับรายการทุ่นท้อขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมีตัวแกอีกรอบนึงสวัสดีค่ะ FM 89.5 สิบเมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี